ท, ท่านฝังครพค่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมมนสนท น, นากันทางสถานีวิทยุครอบครวัวข่าว s n 1 0 6รนะคะรายการที่พบกับท่านสัปดาห์ละ5วันมีดิชั่นสังชิมีนาพงและพระภิกษุอีก2รูปผ่านไป1นรูปคือพระมารชาขาวโรตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาพบกับพระภิกษุรูปที่2นะคะ๊ะนั่นคือพระภัยบุญอภิปุนโนค่ะกราบ ม, ามัสกการะท่านคะเจริญพค่ะสาหรับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ม, มันก็พัฒนาไปอยู่ของเข้าเรื่อยๆนะคะใช่แล้วก็จะมีแนวคิดใหม่มาให้เหตุผลในเรื่องที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องเหตุหตของการเป็นโรคความจำเสื่อมอย่างยิ่งที่เรียกว่าอาัลไซเมอร์อเื่ออ่านหนังสือพิมพ์น่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าวิทยาการเนี่ยนะคะ เ, เขาก็พูดว่า ถ้าคนเราเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ม, มีโอกาสเป็นเอาใส่มือได้ดิฉันจะตั้งคำถามอันนี้กับท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากจะรบกวนให้ท่านได้ช่วยกรุณาได้กล่าวถึงพระศาสดา ข, ของเราเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชานในโอกาสพุทธเชนตรีค่ะอ๋อพุทธาูชาของเราในวันพุทธเชนตรีวันนี้ ก็จะพูดถึงการที่ผู้เจ้าของเราเกิดเป็นชาติอื่นๆมาด้วยน ะ, คะเคยเกิดเป็นเท้าสกะเทวราชนะเท้าสกัดเทวราชเนี่ยเป็นจอมแห่งเทวดาที่อยู่บนชั้นดาวดึงเป็นจอมแต่งเทวดาที่อยู่บนชั้นดาวดึงอาศัยเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดเป็นเท้าสกะเทวราชนะเพราะด้วยการเจริญเมตตาภาวนาบ้างด้วยการที่มีการให้ทานบ้างด้วยการบูชามารดาบิดาบ้างเพราะฉะนั้นคุณธรรมต่างๆที่ผู้เจ้าของเราปฏิบัติเนี่ย เป็นเหตุที่ทําให้ได้เกิดในภพสูงสูงทั้งนั้นเพราะฉนะนั้นพระเจ้าของเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมามากที่เดียรคุณจันทร์เสนี <คะ S 1> พอเราบําเพ็ญบารมีมามากขนาดนี้เนี่ยทำให้ความสามารถของพระองค์เนี่ยมากไม่ใช่แค่ไปเกิดเป็นเท้าวสกัดเทวราชเท่านั้นยังเคยเกิดเป็นเท้าหมหาพรหมเคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพัทเคยเกิดเป็นกษัตริย์ธรรมดาก็โอ้ยนับไม่ถ้วนนับครั้งไม่ถ้วน นะเพราะว่าอาศัยเหตุปัจจัยที่เดินอยู่ตามมรรคแต่ตรงนี้เป็นประเด็นที่นะ่าสนใจคุณยมติอยู่ที่ว่าผู้ชอบของเราเนี่ยเดินอยู่ตามมรรคตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นบริษัทด้วยซ้ํำค่ะแต่ทําไมไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่สมัยนั้นนี่แเพราะว่าความสามารถเนี่ยยังไม่เต็มพร้อมเต็มที่นะคือถ้าบรรลุเป็นอาหารหันต์พระอาหารหันต์ธรรมดาเนี่ยนะคือคุณก็เห็นแค่ตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ใช่ไหม ทีนี้ความสามารถของสมาสัมพุทาเนีย่ยมันต้องมากกว่านั้นมากนะักและเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยเวลานา น, านในการที่จะมาเป็นบารมีและทั้งนี้ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องเดินอยู่ตามมรรคเหมือนกันค่ะอ่าแต่ว่าเดินอยู่บนตามมรรคเพื่อจุดประสงค์คนละแบบนะค่ะซึ่งตรงนี้จะมาสอดคล้องกับเรื่องที่คุณยมติวตามตรงนี้ปรดี๋ยวว่าบุคคลเนี่ยที่ไม่ได้มีป้าวันในชีวิตจะเป็นอัลไซเมอร์และพระเจ้าก็คนที่พูดอย่างนี้เนี่ย ก็พูดชื่อว่าพูดสอดคล้องกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวนะคือในลักษณะที่ว่าถ้าใครไม่มีอิทธิบาทสี่เนี่ยนะคุณก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ไม่นานในะอิทธิบาทสี่นี่ยจะทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถึงหนึ่งกับนะอิทธิบาทสี่เองที่พูดถึงคุณธะทำข้อนี้เพราะอะไรเพราะว่าทําให้ตัวพระองค์เนี่ยเป็นสมาสัมพุทธเจ้าได้ด้ว อ, อิทธิบาทสี่ออิทธิบาทสี่ของท่านประกอบด้วยอะไรบ้างครับ อ, อิทธิบาทสี่แปลว่าฐานที่ตั้งแห่งอิทธิ ฐานที่ตั้งอิทธิมีอยู่4อย่างพนะระเจ้าพูดถึงการเจริญอิทธิบาศสีเนี่ยดยการอาศัยฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสานะจึงทําให้พระองค์มาเป็นพระพุทธเจ้าได้นะอิทธิบาศสีนี้การเจริญอิทธิบาศสีนี้ยังทําให้บุคคลธรรมดาเนกลายมาเป็นพระอาหารหันต์ได้ก็เจริญอิทธิบาศ4ีเหมือนกันนะใครจะมาเป็นอริยาสาวกอรหันตาสาวกหรือว่าบุคคลที่เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายขวาสาริบุตรโมกุรณะก็เจริญอิทธิบาศ4ี่มาเหมือนกัน เพราะนันอิทธิบาทสี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าได้ทําให้พระอาารันทั้งหลายเป็นพระอาารันได้แทําให้คนธรรมดาเนี่ยเป็นคนดีขึ้นไปได้ทําให้เรามีเป้าหมายในชีวิตได้นะเพราะการเจริญอิทธิบาทสี่นี้ค่ะอืมก็เป็นหลักธรรมที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าบางท่านหลายท่านอาจจะเพิ่มเมื่อทราบว่าหลักธรรมอิทธิบาทสี่เนี่ยคือฐานที่ตั้งแห่งอิทธิ อีทีใน ท, ที่นี้แปลว่าริษทานุภาพอะไรประมาณนั้นหรอเป่ะอีที่นี้มีทั้งทุกอย่างเลยนะการที่ฤทธานุภาพนี่ก็ใช่อย่างหนึ่งนะพระเจ้าอย่างพูดถึงความสามารถทางจิตในการที่จะแก้ไขปัญหาได้นี่ก็อย่างหนึ่งนะความสามารถทางจิตในการที่จะอ่านใจคนได้ก็อย่างหนึ่งความความสามารถทางจิตในการที่จะเจริญสีจะมาที่ปัญญาได้นี่ก็อีอย่างหนึ่งค่ะและการที่ท่านได้เล่าในส่วนของพระพุทธองค์เพื่อที่จะให้เรารู้จัก พระพุทธเจ้าของเรามากยิ่งขึ้นว่าเดินตามมารคมานานแล้วใช่ใชไหมคะ<ช>ก็ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าการเดินตามมารคนั้นมันก็มีหลายขั้นตอนถ้าหากว่าแบบเราเราท่านท่านเดินตามมารกไปก็จะได้ผลระดับหนึ่งถูกไหมคะถ้าไม่ได้สร้างบารมีมากๆใช่ทีนี้ผลมันก็จะแก้ปัญหาได้ในระดับที่ต่างๆกันนะถ้าเราทาละเอียดไม่เท่ากันใช้เวลาไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะค่ะ อย่างในกรณีของเอายกอย่างเปรียบเทียบพระสาริบุตรกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยสอ ง, องค์ก็เดินตามมาร์กมาเหมือนกันเจริญอิทธิบาทสีเหมือนกันแต่ทำไมองค์หนึ่งได้มาเป็นอริยสาวกเบื้องขวาในอีกองค์หนึ่งได้มาเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าออิทธิบาทสีตรงเนี้ยมันมีรายละเอียดของการเจริญอยู่นะรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าแต่ละชั้นท่าอย่างเงี้ยต้องมีองค์ประกอบการเจริญอิทธิบาทสีเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดสามส่วน สามส่วนในแต่ละ4อย่างนี่นะต้องมีองค์ประกอบอยู่3 ส, ส่วนแล้วส่วนแรกก็คือทำเครื่องปรุงแต่งแล้วทเครื่องปรุงแต่งตรงนี้เนี่ยก็คือปัญหาที่เราเจอในชีวิตหรือว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตตรงนี้เรามาตั้งเอาไว้ <Okay. S 1> แล้วอันที่สองเนี่ยต้องอาศัยสมาธนะิอันที่สองคือสมาธิอันที่สามคือมีฉันทะเป็นประธานนั้นในการทํากิจการนั้นๆอันที่หนึ่งนะมีทําเครื่องปรุงแต่งในที่นี้ก็หมายถึงเป้าหมายในชีวิตนั้นหรือว่าปัญหาที่เราจะต้องแก้ อันที่สองคือสมาธิอันที่สามคือฉันทะหน้นี่คือชุดที่หนึ่งแล้วชุดที่สองสามสี่นั้วก็เปลี่ยนเจ้าตัวฉันทะเนี่ยเป็นวิริยะจิตตวิมังสาซะสองส่วนแรกนี่ยังเหมือนเดิมคือทําเครื่องปรุงแต่งแล้วก็ตัวสมาธิค่ะทําเครื่องปรุงแต่งอันนี้เราต้องแปลบ่อยจะได้เข้าใจว่าคือเป้าหมายในชีวิตหรือปัญต้องแก้ไขเป็นสูตรสําหรับในการที่จะทําให้การเจริญอิทธิบาทสี่ก้าวหน้าถูกไหมคะถูกต้อง จะสามารถเจริญอิทธิบาทสีได้คุณต้องมีสูตรนี้คือมันเหมือ น, นกุ้ยสามขาค<ะ>่ะข้อมูลข้าดิฉันขอย้อนกลับอีกนิดเตียวะละตรงตัวตั้งเลยคือรายละเอียดคําอธิบายของแต่ละอิทธิบาทอย่างเช่นฉันทะเนี่ยดิฉันยังพอเข้าใจนะคะว่าคือความพอใจอืว <ừ, ừ, S 2> ิริยะเ <ừ. S 2> ชื่อว่าใครก็คงจะพอเข้าใจว่าคือความเพียรใช่จิตตานี่หมายความอะไรจิตตานี่หมายถึงการเอาใจใส่สอดส่องอยู่เรื่อยๆเอาใจใส่สอดส่องอยู่เรื่อยๆอามาส่งไว้ในจิตอยู่ตลอด คิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อย<ช>คิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยใส่อยู่ในใจว่าใช่ใช่ใช่ะค่ะวิมังษา<ค>ก็คือหมายถึงการพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆมีความคิดที่จะพัฒนาค่ะอย่างนี้นะคือสมมุติ<ส>ว่าพูดถึงกระบวนการการผลิตสินค้าใช้ได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีกระบวนการที่เรียกว่า continuous improvement ก็คือวิมังษาตรงนี้แหละคือการปรับปรุง process กระบวนการการผลิตให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ อันนี้ก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยต้องได้ทาในแต่ละอิทธิบาทในองค์ประกอบนี้เหมือนกันหรือไม่คะสามส่วนก็มีเหมือนก็อี้สามขาสี่ตัวที่จะมาหนุนการเจริญอิทธิบาทสี่ความสำเร็จในชีวิตเราให้เกิดขึ้นทีนี้มันต่างกันตรงนี้ว่าถ้าทําเครื่องปรุงแต่งเนี้ยมันใหญ่มันมีเป็นความยิ่งใหญ่ขึ้นมากเนี่ยสมาธินี่ยิ่งต้องสูงมาก ตามขึ้นไปนะมันถึงจะทรงตัวกันอยู่ได้เก้าอี้สามขาขาสั้นขายาวอะไรไม่เท่ากันก็ก็ตั้งไม่ได้นะเข้าใจไเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายคุณใหญ่สมาธิคุณต้องสูงชานิคุณต้องมากอ่าอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นอย่างการณีของพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเราตั้งทําเครื่องปรุงแต่งตรงนี้ไว้ในความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเป็นอนุตรัสสัมมาสัมโพธิญาณค่ ะ, คะ ในขณะที่ภาษารีบท ต, ตั้งความทําเครื่องปรุงแต่งอันนี้เอาไว้ด้วยความเป็นอ克拉สาบกเบื้องขวาอยานี้ค่ะทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องของพระพุทธองค์และตัวอย่างสาวกของพระพุทธองค์ท่านได้กล่าวว่าทำในหัวข้ออิทธิบาทสีน่นี้เราก็ใช้ได้ในระดับเราสมมุติว่าเป็นเราเป็นท่านที่ทำงากินทํางานทําการเรียนหนังสืออย่างนี้นะคะ จะใช้อิทธิบาทสีให้กับชีวิตเจริญก็ได้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องแล้วต้องมีองค์ประกอบสามอย่างเหมือนกับที่พูดที่จะสแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างเช่นอาฆาสาวกหรือว่าพระพุทธองค์หรือไม่คะที่ว่าต้องมีสมาธิปนอยู่ด้วยแน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนคืออย่างเช่นว่าคนแก่ะนะคนแก่เราก็ตั้งทําเครื่องปรุงแต่งไว้ในความที่จะมีสุขภาพดีะนะอะไรที่มันจะมีสุขภาพดีเราทํา เช่นออกกําลังกายเช่นรับประานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นในการที่จะมีกิจกรรมที่กระตุ้นการทำ ง, งานของสมองในะตรงนี้ <Okay. S 1> เราทําให้หมดเลยนะซึ่งเราตั้งทําเครื่องปรุงแต่งไว้ตรงนี้ักนะคนที่จะมาทําตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องไม่ถูกดึงไปตามต่างหูจมูกลิ้นกายนะเครื่องล่อรวงต่างๆแต <Okay. S 1> นะ่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับไอ้เรื่องการที่ต้องไปออกกําลังกายเนี่ยคือการขี้เกียจนอนอยู่บนเตียงเป็นต้นนะหรือบางคนก็นั่งอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์ นะไม่ยอมลุกไปไหนอันเนี้ยเพราะเราถูกไม่มีสมาธิในการที่จะตัดตัวเองออกจากตรงนั้นถูกตัณหาเน้นดึงเอาไว้อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างนี้ปเป็นต้นอ้อค่ะอ๋อเท่ากับว่าถึงแม้จะเป็นคนที่มีเป้าหมายแบบโลกโลกอืมใช่ถ้าจะใช้ทำนี้เป็นเครื่องมือให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้แน่นอนจะต้องมีสมาธิดมสมาธิที่เข้มแข็งใช่โอ้ท่านฟังคะน่าสนใจมากนะคะ เป็นไปนอย่างที่ดิฉันเคยพูดในหลายๆครั้งไหมคะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นใช้ได้กับทุกๆคนจริงๆนะคะอย่งกับอิทธิบาทสี่เนี่ยท่านเพรบุญอธิบายได้อย่างชัดเจนมากถ้าขาดองค์ประกอบเก้าอี้สามขาของด้านนี้แล้วเนี่ยนะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จจะปรากฏขึ้นได้ไหมคะมันก็จะลุ่มๆโดนๆติดๆขัดๆท้งเบี่ยงทางอะไรมีทั้งนั้น เพราะเราไม่ได้เดินตามมักไม่ได้เดินตามทางเออย่างบางคนเนี่ยมีฉันท่ามีความเพียรจริงอยู่แต่ว่าไม่มีวิมังสานแมันก็คือจะทําไปเหมือนเดิมทําไปเหมือนเดิมทําไปเหมือนเดิมมันไม่มีวิธีการปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นมาได้ค่ะเอนึกออกอยู่เนาะก็จึงอันนี้อยากจะสรุปเพื่อให้ท่านเอาไปปฏิบัติได้เอาไปสอนคนอื่นยังได้เลยท่านไปบูลใช่ไหมคะรบกวนท่านไปบุลช่วยสรุป ตั้งแต่ในระดับพนพื่อโกๆไปจนกระทั่งถึงส่วนของการที่จะหลุดพ้นสอดคล้องกับคำถามที่ว่าเป้าหมายของชีวิตจะช่วยทำให้ไม่เป็นเอาไซเมือ่อค่ะใช่ตรงนี้นะสิ่งที่สำคัญก็คือสมาธนะิแลเราก็ต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจในการที่เราจะทำทำสิ่งนั้นนะความวิริยะคือความเพียรในการที่เราใส่ลงไปทาให้มีการกระทำนะมีการดาเนินไปข้างหน้าได้ นะจิตตากคือการเอาใจจดใจจอ่อใส่ใจอยู่ตลอดเวลาวิบังคษา ก, ก็คือการที่จะคิดปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณจะต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งทำเครื่องปรุงแต่งตรงนี้แหละแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ่ะคุณยมเติ่วก็อย่างหนึง่งนักการเมืองคนอื่นก็อย่างหนึง่งนักเรียนก็อย่างหนึง่งคุณครูก็อย่างหนึง่งสมัชสมุทุจชาก็อย่างหนึง่งพริษัทก็อย่างห น, นึ่งนะผู้ที่ต้องการบรรลุอารานก็อย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะตั้งอะไรก็ได้ จะเป็นปัญหาในชีวิตของเราจะเป็นเป้าหมายที่เราต้องการตั้งไว้แต่ที่จะคุณจะสำเร็จได้คุณต้องมีสมาธิคุณต้องมีอีกสี่ตัวที่เหลือเป็นสามขาอย่างนี้ค่ะนะคะก็เป็นอันได้พบกับความกระจ่างถ้าหากว่าตอบแบบฟันธงต่อคำถามของที่ฉันก็คือว่าผู้ทวชนะเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมคะว่า ช, ชีวิตต้องมีเป้าหมายแต่ท่านให้วิธีด้วยว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วยธรรม สประการคือทํามันเป็นฐานที่ตั้งแห่งอิทธิที่ประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาท่านฟังใครควรวญตามแล้วมีความรู้สึกว่าพระาศาสนาของเรานี่สุดยอดเลยไหมคะนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าสุดยอดอย่างเดียวต้องเอาไปทำดิฉันเพิ่งคุยกับคนที่เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีวิธีคิดที่ดีมาตลอดแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุยกันให้ถึงบอว่า รู้สึกบุญไม่ค่อยมีมคือก็อยากจะมีเป้าหมายในการที่จะปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอแต่ดูเหมือนว่ามันมีโน่นมีนี่ต้องเลี้ยงหลานต้องดูแลบ้านให้ลูกอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะก็ทำไม่ได้สักทีหนึ่งเห็น<ล>ทีว่าต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เขาฟังไหมคะใช่เพราะว่าถ้าผมเขาใช้จริงทิบัติรเนี่ยเขาเพอที่จะหาทางแก้ไขได้ อาจจะให้คนอื่มาช่วยแทนหรือว่า จ, จะมีวิธทีทางออกอย่างอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มีจิตเป็นสมาธิคุณโยมติ๋วเขาจะสามารถพลิกพันหาทางออกได้ค่ะเนี่ยคือไประเด็นนะถ้าอย่างนั้นเหมือนกับต้องตั้งใจไว้กับทําข้อแรกคือเรื่องความพอใจก่อนไหมคะถูกต้องด้วยสมาธิแน่วแน่นั้นนะคะเพราะว่าถ้าเขาจริงๆตัวเองก็ไม่ได้มีฉันทะในการปฏิบัติธรรมเอาก็จบเลยตั้งแต่แรกแล้วค่ะ น, นะคะรู้เช่นนี้แล้วรู้สึกว่าเราได้กลยุทธ์ได้ก ล, ลเม็ดได้เทคนิคในการที่เราไปใช้ครบถ้วนเลยนะคะกับ<ม>ผู้ทวจนะของพระศาสดาที่ท่านเพบูลนํามาเปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับคําถามของท่านในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเพบูลอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโละในโอกาสนี้นะคะน้อมักการขอบพระคุณคะ่ะท้าท่านฟังทพิครบค่ะส่วนใครที่โอ้หมาถึงตอนนี้ก็เลยคิดว่าเอาละ ชันทะเรานะมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่รู้นะว่าจะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือว่าปัญหาที่เราจะต้องแก้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรก็ใส่สมาธิเข้าไปด้วยนะคะจะได้มุ่งมั่นแล้วก็นี่เลยค่ะ Search เข้าไปในหลวงพ่อ d o c กเตอร์สมัครเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมเขามีอยู่ทุกเดือนเลยนะคะที่อุดรธานีวัดป่าดอนไฮโซส่วนท่านที่ พราะว่าเอาละจะปฏิบัติธรรมที่บ้านแต่อยากปฏิบัติตามพุ้ทวัตเจนะฟังรายการนี้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะท่านมาพระมาราา้าชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิงเนี่ยก็จะได้นําท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังได้อ่านพระสูตรเต็มๆให้ฟังถ้าใครจับใจอยากจะทบทวนพระสูตรนั้นท่านจะอาว่าในวัดที่ประมาจําำพรรษาหยือก็คือพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเนี่ยนะคะท่านได้มอบหนังสือ ให้กับรายการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการเรื่อ ม, มาจนถึงวันนี้ให้กับผู้ฟังวัน ล, ละสามเล่มท่านาก็โทรศัพท์เข้ามาที่0ูนย์สองสองหเก้์นค่ะโดยนี้ของวิทยุครอบครัวข่าวนะคะหรือว่าจะส่งไปที่เพียวธรรม .com/ 1 0 6เพื่อถามคำถา ม, ถามอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เราลากาปจะเพียงเท่านี้นะคะพุทสวัสดีค่ะ